ทนอยู่ตัววันนี้ก็เพราะเห็นแก่เมตใจของเพื่อนฝูงจึ่เป็นนัก บ, บวชมีเจธรนาและตั้งหน้าต่างตาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตน ยิงได้ทนอยู่เพราะเทียบเพียงน้อใจของเราเองกับเพื่อนฝูงที่สอะแสวงหาครูหาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนนั้นมีความรู้สึกอย่างเดียวกันการเรียนตามปริยัตยิที่ท่านชี้แนวทางไว้เป็นกลางๆง มันเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราก็ได้เรียนมาพอสมควรด้วยกันแต่เวลาจะแยกแยะเอาธรรมะส่วนที่จำเป็นมาปฏิบัติหรือแก้ไขตนเองนั้นมันแยกแยะไม่ถูกไม่เข้าใจ ที่จะแยกแกะมาใช้มาทำประโยชน์จะตนทั้งๆ ท, ท, ที่เรียนมาแล้วด้วยกันนี่เคยเป็นมาแล้วท่านพูดถึงสมาธิก็เข้าใจแต่เข้าใจด้วยความคาดหมายด้นเดาไปตามความจำนั่นแหละแต่มันไม่ตรงกับความจริงเพราะยังไม่ประสบ ความปิ่งขึ้นทีใจทั้งนี้เนื่องจากไม่มีครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นตัวศักขีพยานพาดาเนินให้เห็นต่อหน้าต่อตาทั้งด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันเป็นความจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นที่จะต้องอาศัยครูอาจารย์คอยแนะแนวทางด้วยการปฏิบัติ ซึ่งท่านเป็นผู้ผ่านมาแล้วอย่างโชคโชนและชานิชำนานท่านสอนเราได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่เสียเวล่ำเวลาถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอปริญยาหยิบยกยาขนานใดมาก็เหมาะสมกับโรคของคนไข้ชนิดนั้นๆไม่ผิดพลาดเหมือนหมอเถื่อน ที่ไม่ได้มีทั้งการศึกษามีทั้งด้านปฏิบัติทางการแพทย์มา ก, ก่อนการสอแสวงหาครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกต้องแม่นยําเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่หายากปยู่มากไม่น้อยเลยการจดจำนั้น มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าท่านว่าเราต่างได้เรียนได้จดได้จามาแล้วหากไม่เป็นที่แน่ใจที่จะนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยความถูกต้องจึงต้องเกิดความสงสัยสงสัยสนเทในเวลาจะประพฤติปฏิบัติเข้าได้เข้าเข้มจริงๆด้วยเหตุนี้จึงต้องสเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ เห็นครูเห็นอาจารย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราผู้มุ่งปฏิบัติเราคิดเทียบเคียมท่านผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเราคิดถึงใจเรากับท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายเป็นความรู้สึกกันเดียวกัน หรือเป็นความจำเป็นอย่างเดียวกันที่จะต้องเสาะแสวงหาครูอาจารย์ให้เป็นที่แน่ใจนี่จึงได้ทนอยู่ก็หมู่กับคณนะถ้าตามหลักนิสัยแล้วน่าจะไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะมีความหนักแน่นหรือสนใจในทางการแนะนำสั่งสอนใครๆมาก ดังที่เป็นอยู่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเองนี้เลยการอยู่ลำพังคนเดียวในอียบบทของบุคคลคนเดียวจะเป็นียบบทใดก็าตามเป็นความเหมาะสมอยู่กับาธาตุขันและอธัธยาศัยไปตามียาบทนั้นๆไม่ขัดไม่แยง้งไม่หนัก่วงไม่กดถ่วง ไม่บีบบังคับทาดขันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างสะดวกสบายจิตใจก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอระหว่างขันกับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันตามสัญญาติยานที่รับผิดชอบกันไม่มีอะไรมาเหยียบย่ำทําลายมากกระทบกระเทือนให้เป็นความชอบธรรม นั่นเป็นความเหมาะสมกับปฏิยาใสอยู่ไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็มีความเหมาะสมอยู่อย่างนั้นตลอดไปแม้โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนอย่างธาตุขันหรือโรคทั่วไปก็ไม่ถือเป็นข้อหนักแน่นไม่ถือเป็นความหนักใจ ถือเป็นคติธรรมดาแห่งความจริงที่มีอยู่กับาธาตุกับขันนี้มีาธาตุขันเป็นพื้นฐานแห่งความจริงแล้วทะเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้โดยป่วยเจ็บหัวตัวร้อนก็เป็นความจริงแต่ละอย่างลอย่างที่แสดงขึ้นมาในาธาตุขันอันเป็นภาค พ, พื้นแห่งความจริงทั้งหลายนี้แม่จิตเองก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและรู้ พร้อมตั้งการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายนี้อย่างพอเหมาะพอสมพอดีกันไม่มีอะไรยิ่งอะไรหย่อนเป็นความพอดีหากจะทนไม่ไหวจะแตกจะสลายทำลายไปก็เป็นไปด้วยความจริงไม่มีอะไรกับเพื่อไม่มีอะไรจะเลยความจริงไปต่างอันต่างจริงต่าง อันต่างตั้งอยู่หากว่าสลายก็ต่างอันต่างสลายไปตามความจริงของ ต, อ ต, ตงนยิดผู้ติดตั้งนาต่างตาฝึกหัดดัดแปลงเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยอาศัยธาตุขันเหล่านี้เป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาใจก็เป็นความจริงรู้ตามสภาพความจริงไม่ซืว้นความจริงอยู่สบายการไปการอยู่แห่งธาตุแห่งขัน จึงไม่เป็นภาระหนักหน่วงที่จะมากดท่วงจิตใจให้เกิดความกังวลวุ่นวายสายแสะหรือเกิดความทุกข์ความลาบากขึ้นแก่ใจแต่ประการใดเพราะต่างอันต่างกินต่างอันต่างพอเหมาะพอดีกันหยูแล้วทั้งความเป็นอยู่ทั้งการสลายไปนี่พูดตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ์ของจิตใจ ตามปฏิยาัยนิสัยของแต่ละรายหลา ย, ลลายเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับลายของเราเองเป็นเช่นนั้นแต่ทําไมจึงปฏิบัติตนให้เป็นดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้ข้อเนื่องจากความเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องเสา ะ, ะแสวงหาเริ่มเป็นมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกดีพอแม่ครูอาจารย์ท่านมานอกภาพจากไป แต่ก่อนเขาไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันว่าจะมีหมูมีคณะเพราะจิตใจไม่สนใจด้วยมีแต่ความเป็นผู้ผู้เดียวเป็นความสะดวกสบายตามปัญญาใสของตนแต่ขั้นแล้วก็หมเพื่อนฝูงก็มาเกาะเกี่ยวแต่ข้ อ, อย่างยิ่งฝ่ายพระของเราซึ่งอยู่ในวงเดียวกันมาเกี่ยวข้องผวกพัอันเป็นเหตุให้ต้อง นับผิดชอบแนะนําสั่งสอนหนักเบามากน้อยเรื่อยมาแม้จะปลีกตัวออกไปอยู่ในสถานที่ใดลบดีปลีกออกเป็นแบบขโมยก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่ท้นที่หมู่เพื่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่จนได้มีเคยปฏิบัติเคยเป็นมาอย่างนั้นหลายหุนแล้วเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองพอถึงการ เวลาของธาดขันกับจิตใจที่จะถึงวาระสุดท้ายของมันเท่านั้นเป็นความสะดวกสบายสำหรับอัคคีาใยแต่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุแห่งการคิดนึกเทียบจิตท่านจิตเจาที่กำลังส่อแสวงหาคุณงามความดีให้เป็นที่แน่ใจจากครูจากอาจารย์ก็จำต้องได้แนะนํำค่ามสอนกันมาเรื่อยๆ จากนั้นก็มากขึ้นมาโดยลาดับดังที่เห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีจงเห็นความสำคัญของต้นในขณะที่อยู่กับครูกับอาจารย์ด้วยการได้รับการแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไทยจึงได้สออแสหาคุณงามความดีเพื่อกําจัดไทยเหล่านี้ยาได้ลืมเงื่อนต้น เจตนาในเบื้องต้นของตนมีนที่ได้อยู่ก็หมู่กับข้าหน้ามายากลำบากก็ทนเอ า, เ พ, าเพราะเห็นว่าใจเป็นสิ่งสำคัญและการแนะนำสั่งสอนอบรมคันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันหากไม่มีครูเมีอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนแล้วแม้จะมีเจตนาอย่างแรงกล้าศรัทธาความเพียรอย่างเต็มกิตเต็มใจการก้าวไปก็ เหมือนกับว่าเหตุผลไม่ลงรอยกันคือการปฏิบัติก็เป็นรุ่มๆดอนๆไปเสียเพราะความไม่แน่ใจเป็นต้นเหตุผลที่จะพึงได้ตามความมุ่งหมายก็กลายเป็นอื่นไปเสียเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์เป็นสักดิีพยานแล้วจิตใจก็แน่วแน่การรับปรวาตจากท่านก็เป็นความแน่นอน ไม่สงสัยไม่ลุกลูก ค, คําำแม้ผู้แสดงเองขอบพูดตามหลักความจริงที่เคยประพฤติปฏิบัติจะได้รู้ได้เห็นมามากน้อยหนักเบาเพียงไรยาละเอียดเพียงไหนำ ม, มาแนะนําสั่งสอนเต็มเม็ดตเต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายที่กําลังดําเนินไปนับตั้งแต่เริ่มต้นแห่งสมาธิส่วนสีเรารักษาด้วยกันแลไม่จําเป็นต้องอธิบายให้มากมายกไกลกองไป เพราะต่างคนต่างเข้าใจส่วนวิธีการที่จะทจําจิตให้มีความสงบดังปริยัตท่านบอกไว้ว่าสมาธิคือความสงบใจหรือความแนว่วแน่อั่งนี้สงบใจจะทําอย่างไรใจจริง ส, สงบได้มีวิธีการอย่างไรจรึงจะปรากฏเป็นองค์สมาธิที่แท้จริงขึ้นมาที่ใจสําหรับผู้ต้องการอยู่แล้วจึงต้องได้อาศัยการได้ยินได้ฟัง นี่ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้ววิธีการดาเนินทางด้านสมาธิโดยไม่สงสัยวิธีการที่อธิบายไปแล้วนั้ น, น, นเป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามสะดิษฐ์นิสัยของผู้มาอบรมด้วยกันไม่ปีกไม่แวะไม่นอกเหนือไปจากที่สั่งสอนไว้แล้วเลยทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันทุกขั้นทุกภูมิทุกแง่ทุกกระทงแห่งปัญญา ได้นำมาอธิบายทั้งปัญญาขั้นยาวขัข้นกลางขั้นละเอียดทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายในและสิ่งภายในโดยเฉพาะไปโดยลำดับลำดาในแสดแงไวเ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมที่โดยปรากฏมากน้อยแค่ไห น, หนกับหมู่เพื่อนไม่เคยปิดบังลี้ลับด้วยเหตุนี้จงทาความสนใจ ทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะท่ายุงเราลุ้นหนุนเราให้หรูพ้นจากกองทุกคําว่ากองทุกนี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกกระถานี้ต้องได้แบกได้หามด้วยกันทั้งนั้นมากกับน้อยมีต่างกันเล็กน้อยตามขั้นภูมิของพกของชาติแต่ส่วนจิตใจนั้นต้องถูกร้อยรักด้วยสาเหตุคือกิเลสที่จะ นำกองทุกมาให้เราได้แบกได้หามยิ่งไม่น่าสงสัยอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าจุดใดดอนใดทบใดในสามโลกธาตุกามโลกรูปรูปรรคอรูปรโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี้เป็นที่อยู่แห่งสัตว์ผู้ยังถูกลอยลัด อยู่ด้วยกิเลสปัญหาสะวะและเป็นผู้ได้แบกขามของทุก์มากน้อยทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์ไปได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสิน้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงเลยโลกนี้จึงไม่เป็นโลกที่น่าสงสัยที่จะต้องตะเกียกตะกายกับมันตะเกียกตะกายเท่าไหร่ก็ตะเกียกหมุนไปตามกรงล้อของกิเลสไม่ใช่หมุนไปตามกลงล้อแห่งธรรม เช่นธรรมจักเราจึงไม่น่าสงสัยว่าพบได้จะมีความสุขความสบายเราเกิดมากับความทุกข์แท้ๆจะไม่จึงสงสัยเรื่องพุกแล้วกิเลสโดยแท้จริงที่ผิดหรือผักตันให้เรามาเกิดในภพชาตินั้นๆไม่มีสิ่งใด เหนือกิเลสและไม่มีสิ่งใดที่จะมาทํางานแทนกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาแบกกองทุกแบบความทรมานอยู่ดังที่เห็นทั้งท่านทั้งเราตลอดถึ้งสัตว์ทั้งหลายนี้เลยนอกจากกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขีดขึ้นมาเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้มีอํานาจแดนโลกธาตุทั้งสามนี้เป็นที่ปกครองเป็นที่เรืองอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆ ความโลภความโกรธความหลงลาลาคะตัณหานี้เป็นเจ้าตัวการสําคัญที่เป็นผู้เรืองอํานาจครอบความหัวใจของสัตว์โลกไว้จนกระทั่งมืดมิดปิดตาไม่มีแยบแยบยบแยบพอที่จะมองเห็นเช่นฟ้าแลบนี้เลยมองเห็นแดนแห่งความปนทุกจังเป็นบุญญาลาบหรือบุญอันประเสริฐของพวกเราที่ว่ากิจโฉมนุษชปฏิลาโภคได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะเราได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาปิดฉั้งสัตมรสสาวนางังได้ยินได้ฟังอัด ร, รมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฝังที่หัวใจของเราฝากเป็นตับตายกับธรรมของท่านแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่จึงเป็นบุญญราบนับว่าเป็นบุญญราบเหนือสัตว์ตัวใดในโลกทั้งสามนิ ที่เราได้มาประสบพบเห็นาศาสนธรรมอันเป็นความถูกต้องนิงามเหมาะสมที่สุดที่จะรื้อเราให้ได้พ้นจากพบจากชาติด้วยการยึดถือด้วยการปฏิบัติกับธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไว้แล้วนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราภูมิใจภูมิใจอย่างไม่มีฉากหน้าฉากหลังฉากนั้นเป็นทุกฉากนี้เป็นทุกแฝงกันมาอย่างนั้นไม่มี ทกุก็ทุกให้เห็นอยู่อย่างชัดๆว่าทุกเพื่อจะชนะเห็นทุกเพราะการประกอบความภาคเพีย่ยนอันนี้จิตใจไม่ได้มาสนใจกับเรื่องความทุกขเหล่านี้เลยถ้าผู้เห็นภัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะกิเลสตัณหาเป็นผู้ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาจา ก, กจิตใจนั้นแล้วจะไม่เห็นความทุกข์ความลาบากในการประกอบความภาคเพี่ยนนี้เลยจะตะเกียากตะกายไปจนได้ คนเราเมื่อเห็นทุกเห็นภัยอย่างเต็มใจแล้วการทะเกียรตะกาหนีภัยทั้งหลายนั้นไม่ถือเป็นของลำบากลาบนอันใดเลยขอให้หลุดให้พ้นไปโดยถ่าเดียวเท่านั้นเป็นที่ผึงใจสําหรับผู้ที่แบวกว่าตัวให้พ้นภัยไปนี่เรามาเพื่ปฏิบัติเพื่อความแหบกว่าจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยภัยให้ได้หลุดพ้นไป จากภัยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกําจัดมันโดยทางความเพียรของเราไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคิดอ่านแต่จองในเงื่อนใดเงื่อนใดขอให้เป็นเงื่อนเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้เป็นเรื่องคิดเด็ดตัณหาออกหน้าออกต า, ากถุดลากไปนู้นถุดลากไปนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่เราเป็นนักบวชมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบั ต, บติและตั้งหน้ากําจัด กิเลสทั้งหลายด้วยความเพียรแต่มันกลายเป็นความเพียรของกิงงเลสมาทําหน้าที่แทนไปเสียอย่างนั้นอย่าให้มีเอาให้จริงให้จากนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะวิเศษวิโสเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้ได้เข้าสัมผัสทางจิตใจเถิดจะเริ่มมีความดูดดึงเข้าไปโดยลํำดัแบบในขณะเดียวกันก็จะมีการจืดจางบ้างตาวจากสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยพัวเคยผันเพราะอํานาจแห่งธรรมนั้นมีคุณค่าและมีน้ําหนักมากกว่า แล้วถ้าเป็นแม่เหล็กก็มีกําลังมากกว่าจะดึงดูดจิตใจให้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับธรรมโดยลําดับลําดาสิ่งภายนอกที่เคยเป็นข้าศึกก็จะค่อยจืดจางไปเรื่อยๆนี่อํานาจของธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจนึงสอนไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงน่นรถแห่งธรรมขั้นนี้ชนะรถของโลกขั้นนั้นขั้นนั้นรถแห่งธรรมขั้นนั้นชนะค่ะ โลกขั้นนั้นหรือชนะกิเลสขั้นนั้นกิเลสขั้นนั้นรถแห่งกิเลสขั้นใดบ้างรถแห่งธรรมมีเหนือกว่าไปโดยลำดำับบชนะไปได้โดยลำดำับในขณะเดียวกันก็ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดเป็นความปัจรริจันในตัวไปพร้อมๆกันจนกระทั่งจิตใจได้หลุดลอยไปจากมูดจากพูดคือขี้โลกขี้โกรธขี้หลง นี้ไปได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านว่าแดนทูดถุกแต่ว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเสมอแล้วแต่ท่านพูดถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่จําเป็นทรงแต่คุณภาพตามหลักความจรงิงด้วยความไม่สุดใจเท่านั้นเป็นที่พอยสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แยกแยกออกไปพูดว่าอันนั้นวิเศษอันนี้วีโสเป็นกิริยาอันหนึ่งที่แสดงออกไปจากนี้เท่านั้นเฉะนั้น พยายามทําจิตใจขอยให้ก้มตืนกับธรรมสติธรรมปัญญาธรรมย่าได้ลนละนี่แลทางเดินที่ถูกต้อง่งามทางที่จะหลุดพ้นจากภัยและทางต่อสู้กับภัยทั้งหลายลึกสัตตราวุธต่อสู้กับภัยทั้งหลายก็ไม่เหนือจากสติปัญญาของเรานี้ไปอย่าให้กิเลสบุญฉุดเล่าออไปคิดไปปรุงไปแต่งเรื่องนั่นเรื่องนี้ทั้ ง, ท, งที่เรากําลังประกอบ ความเพียรของเราอยู่ด้วยการคิดการปรุงการแต่งทางด้านอัตธรรมอย่าให้เด็ดเข้ามาสวมลอยแล้วปัดธรรมออกไปจากความคิดนั้นเสียเอาความคิดความปรุงของเด็กมาสวมลอยเข้าแทนส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มเนี่ยจึงเกิดความอินหนาละอาใจว่าการประกอบความภาคเพียรก็ประกอบมานานพอสมควรหรือนานมากมากแล้ว ความพยายามในการประกอบความภาคเพียรก็ได้พยายาม็นเม็ดจนหน่วยทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจให้ได้เห็นได้ชมดังครูบาอาจารย์ท่านสอนก็อย่างดีแต่นี้ทำไมไม่ปรากฏเราจะคิดไปอย่างนั้นเสียมากโดยไม่คำหนึงถึงสาเหตุที่มันไม่สงบไม่ได้รับผลที่พึงหวังนั้นเป็นมาอย่างไร<ม>ก็เป็นมาอย่างที่เราประกอบความเพียรและกิเลตเป็นผู้สวมลอยไปทำหน้าที่แทนโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละ นั้นจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเกิดขึ้นถ้าลงได้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอื่นชัว่วรารธรรมตัดไว้ชอบแล้วขอให้เกาะให้ติดเธอะอืมไม่เป็นไม่เป็ไปไหนนิยานี่ก็ทํารมจะปราบคามทิเดสที่จ ะ, ท, จะที่ก่อเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นออกไปได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งออกได้โดยสิน้นเชิงแล้วจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบภายในจิตไม่ต้องไปหาองค์ศาสดาที่ไหนเลย ไม่ต้องไปหาพระธรรมที่ไหนไม่ต้องไปหาพระสงฆ์สาวกที่ไหนแหะธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นสักขีพยานแห่งความจริงทั้งหลายแห่งความวิเศษทั้งหลายคือพุทธธรรมสงฆ์นั้นอย่างประจักษ์แล้วไม่มีทางสงสัยอย่างนี้แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นลาวตถาคตเห็นตรงนั้นเองเริ่มสัมผัสสัมพันธ์ไปตั้งแต่สมาธิ ปัญญาเป็นตามขั้นตามภูมิไปเดิมำดับจนกระทั่งถึงวิมุตตุดุพน์แล้วนั่นแหละคือองศาสด า, า, าแท้เป็นดังนั้นอันนี้ชั้นใดอันนั้นชั้นนั้นทำคืออะไรก็เห็นอยู่รู้อยู่ชัดๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันเห็นอย่างชัดๆจะไปถามไข่ที่ไหนท่านปฏิพาน์มา ก, กี่ปีกี่เดือนนั่นเป็นสมมติอันหนึ่งเท่นานั้นหลักธรรมชาติที่แท้จริงนี้ได้ประจักษ์แล้วกับกจิตใจที่ เป็นปะโดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงคือความบริสุทธิ์พุทธโดยแท้แล้วไม่สงสัยนี่แหละแดนหลุดพ้นหลุดที่จงนี้ยาไปคาดสถานที่การไปล่ำเวลาที่ไหนให้กิเลสมันหลอกไปหลอกไปเราเรื่องของกิเลสนี้ละเอียดมากทีเดียวเพราะฉะนั้นขั้นเริ่มต้นส่วนมากก็เป็นยิเลสหยั่งยากสติปัญญาของเราก็ไม่มีมันก็ไม่ทันกันจึงต้องลำบาก ในขั้นเดิมเลยแต่้เวลาเราเอาจริงเอาจังน้ำมันกระเพราขดจนได้เพราะในขณะที่เอาจริงเอา จ, จ, จังจิตจิตใจมันจดจ่อสติจดจอ่ออย่างน้อยสติจดจอ่อต่อจากนั้นปัญญาพิจารณาค่อยๆไปได้มันก็พอเข้าใจไปได้โดยลําดับจนถึงขั้นมีทุนภ า, ายจในจิตใจสมาธิเป็นต้นทุนและเป็นทุนต้นทุนอย่างละเอียดลออเข้าไปโดยลำดับ แต่นั้นผิด ป, ปัญญาญานอนใจแต่คําที่ว่าจากนั้นผิด ป, ปัญญานั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยไถ่เดียวเมื่อถึงการที่จะใช้ปัญญาพินิพิจนาในระหว่างที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแล้วก็ขุดค้นลงหน้าพิจารนาได้ไม่ได้แน่นอนตายตัวโดยไถ่เดียวเพราะการทําความภาคเพียนนี้ไม่ได้มีโปรแกรมไม่เป็นแผนที่ไปอย่างโลกโลกหากเป็นแผนที่โดยหลักธรรมชาติ เป็นโปรแกรมโดยหลักธรรมชาติที่เห็นว่าเหมาะสมในการนั่นที่จะควรใช้สติหรือควรใช้ปัญญาหรือควรใช้เป็นเป็นสมาธิหรือควรใช้เป็นปัญญามันอากมีการพลิ้วแปรแปล ง, ปล ง, ปล ง, ปลงอยู่กับนักปฏิบัตินั่นแหละว่าอะไรเหมาะสมทําอย่างนั้นที่พูดถึงสมาธิถึงปัญญานี้พูดไปตามพื้นฐานส่วนมากเป็นอย่างนั้น แต่แม้เช่นนั้นในการที่จะนำปัญญามาใช้ระหว่างในระหว่างที่เห็นว่าจำเป็นยังต้องแทรกกันเข้าเสมอผู้ปฏิบัติทำให้จริงนี่ก็ได้พยายามเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยกับเพื่อนฟูงการแนะนำสังสอนเรามาบวชเป็นทานิมิตเรื่องความเผาะเกี่ยวที่จะให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้เกิดพิษเกิดภยดัยใดๆกับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะ สมณะเพศเป็นเพศที่ปล่อยวางเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องความทุกข์ความร้อนเกี่ยวโยงกันกับใครต่อใครไม่มเป็นเพศที่บริสุทธิ์บุญง่ายเป็นเพศที่ไม่ก่อกรรมก่อเวรเป็นเพศที่ปล่อยวางเป็นเพศที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นเพศที่มีเมตตาเป็นเพศที่ให้อภัยเพราะฉะนั้นสมณะหรือนักบวชนี้ไปที่ไหนจึงไม่ค่อยเป็นไผ่ในสายตาของโลกก็พอมองเห็นไกลก็ลง แล้วผิดกับเพศอื่นๆนี่สิ่งภายนอกเราก็ได้ตัดมาจากนั้นไม่เป็นกังวลกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ระเวียงระวังอะไรผู้ใดที่จะมาทำความเดือดร้อนเสียหายและมากระทบกระเทือนตลอดถึงมาทำาน้ายร่างกายของเรามาฆ่ามาฟันมาอะไรอย่างนั้นไม่นีสิ่งที่เป็นใครต่อเราก็คือ กิเลสเท่านั้นเวลาจึงต้องมาฟาดปันกันที่ตรงนี้ข้างนอกไม่เป็นภัยแต่ข้างในเป็นข้างในเป็นไัยคือกิเลสเป็นภัยต่อเราอความรักเกิดขึ้นก็ทําให้ติดความชางเกิดขึ้นก็ทําให้ติดปิดใจได้ทั้งนั้นหลงไปได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่ากลอันละเอียดแหลมคมของกิเลส ไม่ว่าอันใดที่แสดงขึ้นมาขึ้นคือว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วย่อมทำให้ติดให้ปวดพันให้หลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละละเอียดขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ทำแล้วจะดูกลมายาของกิเลสจะดูรสดูชาติดูความละเอียดแหลมขมของกิเลสไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเหมือนกับหลับตาดูวัตถุต่างๆจนกระทั่งถึง สีสะไปโดนปังเข้าสีษะแตกก็จะรู้แต่เพียงสีษะแตกแต่สิ่งที่โดนนั่นคืออะไรมันก็ไม่เห็นอีกเพราะตามันบอดขนาดานีปัญญามันบอดโดนกิกเลสตัวไหน